อันนี้สงในการถึงไตสรณะคมเนี่ยเขาบอกการเข้าถึงสรณะคมเนี่ยเข้าถึงพะรัะนตรัยนะมีอันนี้สงหรือมีผลหาประมาณไม่ได้อันนี้กล่าวไว้ในพระธรรมบทบอกว่าปูชาระเหปูชยโตพุทเทยทิวสาวเกปปัญจะมะติ ก, กันเตติ น, นะโสกปริทุทเว บุคคลผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงแห่งธรรมอันเป็นเครื่องเนื่นช้าที่ข้ามโสกปริเทวะได้แล้วต่อมายความว่าถ้าเราไปบูชาพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าที่ละ ก, กิเลสได้แล้วเนี่ยผู้บูชาท่านเหล่านั้นน่ยซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสได้แล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหน ใครๆไม่อาจนับบุญของผู้บูชาเช่นนี้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้คือนับเมล็ดบุญผลของบุญนั้นไม่ได้ทีนี้อา น, นิสงส์อัตถกถาท่านขยายไว้ว่าไตราสรารณคมเนี่ยที่เป็นโลกิยะเนี่ยมีภาวะสมบัติก็คือสมบัติที่เนื่องด้วยสุขติพบเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่นะ แล้วก็โผค่าสมบัติสมบัติที่เนื่องด้วยโผค่าของมนุษย์และเทวดาเป็นผลในเทวตาสังยุตท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเยเกจีพูด ท, ทางสารนังคตาเสเบุคคลเหล่าใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารนะบุคคลเหล่านั้นจะไม่สู่อบายเนี่ยจะไม่ไปสู่อบายเมื่อละร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วจะเข้าถึงจากยางกายเทพให้บริบูรณ์ ก็แปล ว, ว่ามีคติอย่างเดียวว่าถ้าคนเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายังถึงโลกยียะสารณาคมเนไม่ขาดคาว่าถึงก็คือเข้าถึงด้วยศรัทธาเป็นตัวเราเนี้นี่จะมีมีสุขติเป็นไปอันนี้เป็นเป็นพุทธดำหลัดในเทวตาสังยุตบอกว่าในโมคคลานะสูตรในสรายตนาวัคหมาโมคลานเนี่ย ได้กล่าวกับเท้าส ก, กาบอกว่าการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณาเป็นการดีแท้เพราะเพราะการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และสัตว์เหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่จเจริญยิ่งกว่าเทวดาเหล่าอื่นในฐานะสิบมีอะไรบ้างอะอายุ คือคือคนในในโลกเนี่ยที่ถึงสารณะเนี่ยมีน้อยใช่ไหยใดมากก็ไปถึงถือสิ่งอื่นเป็นสารณะทีนี้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาด้วยกันนะถ้าถึงสารณะคมปุ๊บไปเป็นเทวดาด้วยกันเนี่ยเช่นคนนั้นเนี่ยเขาไปเป็นเทวดาเพราะทําบุญอย่างอื่นมากับคนที่ถึงสารณะคมไปเป็นเทวดาเนี่ยจะมีสถานะเนี่ยต่างจากเทวดาเราอื่นสิบสถานะ หนึ่งอายุอายุก็มากกว่าอายุจะมากกว่าเทวดาที่ไม่มีไม่ได้ถึงศาสนคมไปเพราะคนไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องนับถือหรือถึงศาสนคมเนะอย่างยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมเออทั่วโลกเนี่ยคนที่นับถือพระเจ้าศาสนาพระเจ้านี่ยเยอะกว่าโอ้ยใช่ไหมอิสอิสคริสต์มาเป็นอันดับหนึ่งอิสรามอมันดับสองเนี่ยพุทธตกมาอยู่สามใช่ไหม ไอที่ถึงสรณะเอ็แทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องน้อยกว่านั้นอีกก็คือหนึ่งอายุเป็นทริปก็คืออายุก็มากกว่ามากกว่าเทวดาที่ไม่ได้นับถือไม่ได้ถึงสารณคมไปสองวันนะผิวพรรณก็งดงามกว่าโอ้นี่นี่ตรงนี้ดีตรงใช่ไหมผิวพรรณก็งดงามกว่าทีนี้ความสุขบางคนเทวดาบางกลุ่มหรความสุขบางที มันจะเครียดง่ายแต่คนที่ถึงสารณาคมไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขความสุขกันเป็นทิพย์เนี่ยเหมือนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกันนะใครมีความสุขทุกอียาบดไหมคือปลาโมดเกิดตลอดเลยไม่ทุกไม่เดือดร้อนอะไรกับใครเท่าไหร่เอาบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเป็นไหม คือยืนก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขก็คือปลาโมดมันเกิดตลอดตัวกําลังของกุศลมันมีกําลังก็จะเกิดค่อนข้างต่างจากคนอื่นวิวเกิดเงี้ยไหมเครียดบ่อยไหมดูหนังสือก็มีความสุขไปสอบก็มีความสุขไปทํากิจกรรมทั้งหลายก็มีความสุขตลอดคือมันปลาโมดเกิดตลอดจิตใจเบิกบานจิตโปร่งตลอดเนี่ยคนประเภทนี้เขา กุศลที่การถึงสถานคมมาจะได้ฐานะตัวเนี้ยฐานะที่ถ้าเป็นเทวดาก็มีความสุขมากกว่าคนอื่นถ้าเป็นมนุษย์ก็มีความสุขมากกว่าคนอื่นแ <c oughs> สดงในคนที่เครียดมากๆแสดงว่าไม่ได้มาจากเทวดาเลยมาจา ก, มาจา ก, กามาจากสัตว์นรกบ้างมาจากสัตว์ในฉานบ้างมาจากเปรตบ้างอสุรกายบ้างเนี่ยหรือมาจากเทวดาก่อนๆ น, นั้นก็ไม่ได้ถึงสถานะมา <c oughs> ออการถึงสถานคมจะได้ความสุขใช่ไหมความสุขมันเป็นทิป น่าสนไหมตรงนี้แล้วก็ยศยศก็ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นความเป็นใหญ่ทีนี้รูปก็งามกว่าคนอื่นเสียงก็เพราะกว่าคนอื่นกลิ่นก็มีกลิ่นกายที่หอมกว่าคนอื่นโหดีตรงนี้รสก็คือรินก็สัมผัสรสอาหารหรือได้รสอาหารได้อาหารก็ได้ที่ปราณีตกว่าคนอื่นโพธิภะ ก็ได้โลิภัณฑ์ที่ดีคือไปอยู่ในที่ไหนอ่ะได้หนาวก็ได้สัมผัสที่ดีร้อนก็ได้สัมผัสที่เหมาะสมเนี่ยนะและการถึงพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยยานการถึงพระธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะก็สังเกตได้ไหมอย่างฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่มีรูปร่างที่งดงาม แสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเถึงสารณะมาแล้วก็ไปบอกเขาด้วยเนียชาติที่แล้วนี่คุณทงมั่นคงในสารณะแต่ชาติปัจจุบันคุณอ่อนแอคุณระวังเนียคุณสวยอยู่ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวคุณก็แย่เนี่ยอะไรงี้ยรูปก็เป็นรูปก็งามเสียงเสียงก็เพลาะเพราะว่าทําไมเสียงถึงเพลาะอ้าเพราะเวลาเราสาธยายหรือสารเสริญคุณของพระพเจ้าเนี่ยบูชาคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหาประมาณไม่ได้ใช่ไหม แล้วเราไปพารนาคนของคนอื่นเนี่ยคนของเทวดาคนของพรหมทั้งหลายเนี่ยบุคคลเหล่านั้นบารมีคุณธรรมต่ํานี้สู้พระเจ้าไม่ได้นี่นั่จะแปลกใจว่าเสียงก็เพราะรูปก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นหอมเป็นตอลอดเนี่ยนะเพราะเราเคยบูชาด้วยกลิ่นเนี่ยในายดีกาอธิบายเพิ่มเติมว่าบอกว่าในพระสูตรนั้นพระเจ้าตรัสถึงสมัยที่พระ อ, องค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ตอนเป็นเวลาบพราหมณ์เนี่ยเวลามารพราหมณ์เนี่ยได้ทํามหาทานเป็นอันมากมีทั้งช้างมา้ารถโคบลังทั้งหลายเหล่เนี้อย่างละแปดหมื่นสี่พันโกดแล้วก็อาหารของเคี้ยวของบริโภคเนี่ยทําอยู่เจ็ดปีกับเจ็ดเดือนแต่มหาทานที่ทําเช่นนั้นเนี่ยมีอนิสงส์น้อยกว่าน้อยกว่าก็คือว่า การที่ให้ทานตั้งแต่ไม่ได้เจอตอนที่ท่านเป็นเวลามะาพามัท่านไม่ได้เจออรียบุคคลไงท่านให้ทานกับคนทั่วๆไปเนี่ยตั้งลงทานอยู่เจ็ดปีกับเจ็ดเดือนให้มหาทานอย่างมากทซั์หมดไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะแต่ทานที่ถวายนั่นเนะี่ยแด่พระโสดาบันหนึ่งองค์มีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามาพามทำเจ็ดปีกับเจ็ดเดือนหมดทรับไปไม่รู้กี่โกด ให้ของกินของเคี้ยวให้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยเจ็ดปีกับเจ็ดเดือนแต่มหาทานที่ทําติดต่อกันเนั้นตั้งลงทานไม่รู้กี่โยอดท่านก็ยกตัวท่านเองท่านเป็นพระโอษฐิสัตว์มาตอนสมัยนั้นท่านตั้งรบมหาทานเนี่ยแจกคนทั่วๆไปเหมือนที่สนามหลวงเนี่ยลองคิดดูนะแจกไปเถอะนี่ไม่ถึงเจ็ดปีอันนี้ไม่ถึงตั้งทุกวันเนี้ยนะยมดงนะแจกไปเลยเนี่ยเจ็ดปีกับเจ็ดเดือน แล้วคนมากันเนี่ยหมดซับไปเป็นไม่รู้กี่กี่โกดทานที่ให้ถึงปานนั้นเนี่ยเจ็ดปีกับเจ็ดเดือนเนี่ยไม่บอกให้พระโสดาบันแค่ครั้งเดียวเนี่ยมีผลมากกว่า <c oughs> โอ้โหเทียบกันติดั้มไม่ได้เลยทำไมถึงขนาดนั้นเนี่ยก็คนตั้งเยอะแยะสังเกตดูั้ย คนมาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านคนที่มารับทานของท่านเนี่ยถึงมีศีลมีอะไรนี่แหละแต่เทียบเท่ากับการให้พระโสะดาบันหนึ่งองค์ไัไ้นไปได้ทีนี้บอกว่าทานที่ถวายแด่พระสกาทาคามีองค์หนึ่งเี่ยมีผลมากกว่า น, นั้นคือมากกว่าถวายพระโสะดาบันอีกนับไม่ได้อีกเหมือนกันแล้วก็ทานที่ถวายแด่พระนาคามีหนึ่งองค์เนี่ยนะ ก็มีผลมากกว่าถวายพระสกัดทาคามีแล้วก็ทานที่ถวายแด่พระอรหันต์หนึ่งองค์เนี่ยก็มีผลมากกว่าถวายพระนาคาเมีเนะแล้วก็ทานที่ถวายแด่พระปัจเจกพรพุทธเจ้าหนึ่งองค์ก็มากกว่าถวายกับพระอรหันต์ทานที่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มากกว่าถวายบุคคลเหล่านะั้นทั้งหมดเนี่ ย, ยแล้วบอกว่า ทานที่ถวายแด่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่านั้นมากกว่าอะไรมากกว่าการถวายพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นึ่งเพราะถวายสงที่มีพระเจ้าเป็นประมุขนี่เนี่ ย, ยแล้วก็การสร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างที่อยู่ถวายแด่สงที่มาจากจตรุรทิศนี่แค่หนึ่งหลัง มีผลมากกว่าถวายทานแต่สองที่มีพระเจ้าเป็นประมุกขนาดนั้นวิหารลทานไม่ธรรมดา ท, ที่คนคิดยติอลงเกียริดูยิ่งใหญ่ไปแล้วแล้วก็การถึงสารณาคมพุทธังสารนังก็ะฉามีการถึงจริงๆที่เข้าใจนี่เนะ้มีผลมากกว่าถวายวิหารลทานแต่สองที่มีพระเจ้าเป็นประมุกสารนคมยิ่งใหญ่ไหม ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นการถึงสารนคมที่บอกว่าข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าท้นชีวิตมอบตอนนูนทิถวายแด่พระพุทธเจ้ามอบตอนนูนทิถวายแด่พระธรรมมอบตอนนูนทิถวายแด่พระสงฆ์เนีย่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าการถวายทานและสงฆ์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเคยเข้าใจไหมเพราะการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระเรียสงฆ์นี่ ถึงยังไงยกตัวอย่างเช่นอระหังสัมมาสัมพุทโธพะควาใช่ไหมพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาสเนี่ยพระผู้เป็พระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในนั้นแปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดา เป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เนี่ยอัธยาสัยที่ตั้งอย่างเงี้ยจึงมีอานิสงส์เยอะจัดเพราะเราไม่ธรรมดาเลยนะที่เรากราบพระเนี่ยโดยพยัญชนะโดยคําแปลกมามันแปลไม่ถึงใช่ไหมให้ถึงจริงๆก็คือเนี่ยข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรงศ์พุทธเจ้าเป็นพระหลานไม่มีราคะโทสะโมหะมานะทิฏวิจิขิชาหีในการนะตะปะอุตตจั พระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธตะต ร, รัสรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองและสามารถประกาศให้บุคคลอื่นในตรัตสรู้ตามได้ด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นและข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขาจัดกิเลสและกองทุกข์เนี่ยออกจากกระแสของชีวิตเนี่ยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วกราบลงไป อันนั้นเป็นเพียงุปถมแต่ในตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ฝึกเพียรบิมนาิการคิดตลอดว่าตนเองจะต้องเป็นพุทธะตามพรธเจ้าให้ได้เนี่ยนั่นถึงอานิสงส์เยอะสวาขาโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมมังนัมัสสามีเนี่ยนัมัสสามีพระธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมคืออะไรครับว่านมัสการพระธรรมเนี่ยพระธรรมคือศีล สมถะวิปัสนานี่เป็นความงามในเบื้องต้นนอะอันนี้หวแบบ้แบบแบบแบบแบบครบชุดใหญ่อะถ้าชุดเล็กๆ ก, ก็ศีลเป็นความงามในเบื้องต้นของวัฒธรรมสมาธิเป็นความงามในทถ้ำกลางปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดข้าพเจ้าจะฝึกตนเองพฤติกรรมตนเองเนี่ยอาชีพเดนให้เข้าสู่ความงามในเบื้องต้นระดับศีลความงามในเบื้องต้นของวัฒธรรมให้ได้ ข้าพเจ้าจะฝึกตนเองกระแสะชีวิตตนเองให้เข้าถึงสมาธิคือความงามในท่ามกลางให้ได้ข้าพเจ้าจะฝึกกระแสะชีวิตตนเองให้เข้าถึงความงามระดับปัญญาให้ได้แล้วก็กราบลงไปใช่ไหมไอตรงเนี้ยแต่ถ้าบอกว่าศีล ส, สมถาวิปัสนาเป็นความงามในเบื้องต้นของพระธรรมอริยมรรคอริยผลเป็นความงามในท่ามกลางของพระธรรมนิพพานเป็นความงามอันสูงสุดของพระธรรม ข้าพเจ้าจะฝึกตนเองกระแสะชีวิตของตอนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องตอน้นคือศีลสมถาวิปัสสนาให้ได้จะฝึกตนเองให้เข้าถึงอริยามรรคอริยผลคือความงามในท่ามกลางให้ได้จะฝึกตนเองให้เข้าถึงอนุ ป, ปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์เช่นเป็นความงามของพระธรรมมันสูงสุดให้ได้กราบลงไปนี่เป็นเบื้องตอน้นนี่การถึงสาระความมันถึงอย่างนี้ แล้วก็สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นนี่เนี่ยข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สังขังนมามีเนี่ยนอบน้อมแปลว่าอะไรแปลว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระโสดาบันสกอาธานาคาพรารหัน์คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตรงก็คือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยตรงเนี่ยก็คือไม่คดไม่งอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคดหรือไม่ตรงก็คือปฏิบัติหรือเดินนําพากระแสชีวิตตนเองไปหมกมุ่นในกามกคุณในกาลมาสุขติดแน่นในกาลมคุณเป็นกาลมาสุ ข, ขาริกานุโยกหรือไปติดแน่นในอตตกิรมัฐานุโยกทําตนให้ลําบากแล้วก็ปฏิบัติผิดทาง หรือเข้าไปหาสัตตตถิถีเห็นว่าเที่ยงอุเฉทถิถีเห็นว่าขาศูนย์แต่พระอาริยะบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตรงตามมาชิมาปฏิปทาเพื่อเข้าไปถึงอนุ ป, ปาทาปริิยพานที่ไม่กลับมากลอกเกลือกกลัว ก, กิเลสและกลองทุบนี่อริยสง์เป็นอย่างนี้นั้นข้าพเจ้านอมน้อมประสงค์กับว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองออกจากความเป็นปุโุชนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลส เข้าสู่ความเป็นอริยชนไปร่วมกันกับหมู่อริยะบุคคลเหล่านั้นเข้าอยู่ในชุมชนของอริยะสังฆานั้นให้ได้ก็กราบลงไปอย่างเงี้ยนี่คือการถึงสารณคมคือพัฒนาจากโลกิยะสารณคมเพื่อเข้าถึงโลกุตระสารณคมให้ได้ฉะนั้นการถึงสารณะจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากอย่างนี้และการถึงสารณะ การถึงพระรัตนตรา ย, ยมีผลมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันสก่าทานาคาพระอรหันต์พระประเจพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือให้ทานแด่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือถวายวิหารทานเนั่ยการถึงสถานะคมมีผลมากกว่านั้น <c oughs> เริ่องเห็นชัดเจนนี้อย่างตดีวเนี้ยทีนี้ อคโตเวปรสันนะนะบรรดาผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศรู้แจ้งธรรมะที่เลิศคือผู้ที่เลื่อมใสในพระเจ้าผู้เลิศผู้ทรงเป็นทักษิณญาบุคคลนันยอดเยี่ยมเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศพระธรรมที่เป็นธรรมที่ปราศจากราคะก็คือพระนิพพานเป็นต้นวินโลกุตรธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นบุญญเขตเป็นนาบุญนันยอดเยี่ยมเมื่อให้ทานในผู้เลิศ บุญอันเลิศ ก, ก็ย่อมเจริญคือมีอายุที่เลิศวันน้าที่เลิศยศเกียรติสุขทั้งหลายที่เลิศเนี่ยนะผู้ให้สิ่งที่เลิศเป็นบัณฑิตพรั่งพร้อมได้ทํามันเลิศเป็นเทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเลิศและก็ปลาโมดคืออา น, นิสงส์แห่งการบูชาพระราตนตรัยที่มีผลในปัจจุบันว่าทําให้ปราศจากโลกปราศจากอันตรายได้รับผลวิเศษเนี่ยมีอายุวันน้าทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้มีสุขคติเป็นไปในภพนะ คืออย่างนี้ถ้าบอกว่าปราศจากโรคเนี่ยถ้าเข้าถึงโลกุกตระสารณคมเนี่แน่นอนโรคเป็นเครื่องขันห้าที่สูงสุดนะปราศจากอันตรายก็คือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีถ้าสูงสุดเลยเนี่ยอันตรายก็คือการมีขันห้ามีกระแสะชีวิตนี่แหละก็ประสบชาติทุทกชราทุกพยาธิทุกเป็นอันตรายทั้งนั้นแต่ที่บอกว่าในขณะที่เรามีพระรตะนาใจหรือผูกพระรตะนาใจเหมือนก็ผูกมลไว้ในตน คือในขณะที่กระแสชีวิตของเราเนี่ยเข้าถึงศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระรันาตนตรัยเนี่ยก็หมายความจิตใจตอนนั้นน่ะมีความเชื่อมั่นในพระรันาตนตรัยตัวศรัทธาเกิดขึ้นตัววิริยะความเพียรความก ล, วกล้าเกิดขึ้นสติคือความระลึกอยู่ในคุณของพระรันาตนตรัยเกิดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตและปัญญาเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นตอนนั้นน่ะเรามีคุณภาพจิตที่ไม่มีโรค จิตไม่อ่อนแอจิตแข็งแรงจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นแล้วจิตที่เป็นไปกับสมาธิแข็งแรงมากจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษเป็นอนัตวช้าด้วยไม่มีของเสียเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผองแผ้วมากตอนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในตัวกลุ่มนามธรรมเหล่านั้นสะอาดเอี่ยมอ่องผองแผ้วมากแล้วเป็นจิตที่เป็นไปกับปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระาาราตน้าใยอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นจิตที่เป็นไปกับปลาโมดและปีติเป็นไปกับความสุขสมานัน้นนั้นตอนที่คุณภาพจิตเป็นแบบนี้ส่งผลให้จิตตชรูปนะรูปที่เกิดจากจิตไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยนในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้จะถูกปกครอไปด้วยตัวกุศลจิตตชรูปบุคลิกภาพทั้งหลายกิริยาอาการทั้งหลายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการกระทาการพูดจาหรือการยืนเดินทั้งหลายหเหล่านี้ดูผ่องแผ้วออกมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี้ยตรงนี้แหละเวลาเมื่อตัวกุศลเกิดขึ้นศรัทธาปัญญามีดุญยภาพวิริยะกับสมาธิได้ดุญยภาพโดยมีการนิสติเป็นตัวกํากับไว้ด้วยได้สมตาได้สมดุลได้ความสมดุลเกิดขึ้น อินทรีย์ก็มีดุนยภาพเกิดขึ้นตอนนั้นเมื่อเกิดความเข้าใจในด้านของสมตาค่อนข้างชัดหนึ่งศรัทธาก็มีปัญญาดุลไว้ตัววิริยะถ้าเพียนมากเกินไปมันก็เครียดก็กุ้มใช่ไหมถ้าสมาธิน้อยเกินไปก็เป็นอย่างนั้นถ้าสมาธิมากเกินไปก็เกียดค้านเฉยชาแต่ถ้าสมาธิกับวิริยะได้ดุนยภาพได้สติเป็นตัวปรับ ให้ได้ดุนยภาพอยู่ตลอดเวลามันจะทำอะไรเมื่อสภาพจิตใจได้ดุลกิเลสก็เข้าไม่เข้าแทรกทีนี้ด้วยการที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธาเนี่ยมีความเพียรที่ได้ดุนยภาพและมีความเข้าใจในคุณของบารัตนาตายชัดก็มาปรับอียบท์นะทำให้ได้ดุลการยืนการยืนการเดินการนั่งการนอนก็จะมีความเข้าใจในการในดุนยภาพในนี้เอียบทก็สปายะ และความฉลาดที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นเวลาไปเกี่ยวข้องอาหารที่เอามาใส่ร่างกายก็ได้ดุลยภาพเขาอีกก็จะได้อาหารที่สปายะก็ฉลาดในการที่จะเอาอาหารใส่ร่างกายเพราะมีปัญญาที่เข้าถึงมีศรัทธาคือความเชื่อที่เข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็รู้จักตนเองว่าจะเอาไปกระแสชีวิตไปอยู่ในอุตตร์ที่สปายะยังไงอาหารที่สปายะยังไงเอียบทที่สปายะอย่างไรไปครบคนที่สปายะอย่างไรคนที่มีศรัทธา คนที่มีศีลคนที่มีสุตตะคือข้อมูลคนที่มีจากกะคือการสลากิเลสได้ด้วยสละภายนอกได้สลาภายในคนที่มีปัญญาแล้วก็จะเข้าไปหาบุคคลประเภทนั้นก็จะไปศึกษาเรียนรู้ว่าเขามีศรัทธานในพระรัตนตรัยอย่างไรเขามีศีลอย่างไรเขามีสุตตะสั่งสมข้อมูลอย่างไรเขามีจากกะอย่างไรเขามีปัญญาอย่างไรก็จะไปเรียนรู้ฝึก ตามกัลยาณมิตรนั้นเพราะมีปัญญานี่แหละจากการถึงพระราตนตร้าใจเข้าใจาใช่ไหมก็จะเสพคนที่เป็นกัลยาณมิตรได้ถูกต้องใครที่เป็นปาปามิตรที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุดตาไม่มีจา่าค้ามีปัญญาก็จะพยายามห่างเวลาครบก็ครบอย่างระมัดระวังไม่ทําให้ตนเองไปเสพติดง น, น้ในบุคคลก็สัปเพยะอาหารก็สัปเพยะโคจร ะ, ะการเดินทางก็รู้ว่าที่ตรงไหนเนี่ยเป็นสถาตการณ์สมัติชัญญะ สปายาสมัมปชัญญะหรือโคจรารสมัมปชัญญะคือที่ที่เดินทางไปในที่ไหนเนี่ยถ้ารู้ว่าไปแล้วได้ประโยชน์ก็จะไปเพราะไปแล้วได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นได้ความเพียรเพิ่มขึ้นได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้นได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้นจะไปที่ตรงนั้นเพราะขับเน้นประโยชน์ที่คุณจะทำต ร, รงนั้นแล้วก็เมื่อไปแล้วก็จะสามารถบริหารบริหาราไปอยู่ในชุมชนนั้นก็จะบริหารศีลสมาธิปัญญาบริหารศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ให้ได้สปายาด้วย ไ ด, ได้สปายะสัมปชัญญะและก็คือไปหน้าที่ไหนก็จะไม่หลงเพราะได้ปัญญาไอสติสัมปชัญญะก็จะได้อาศัมโมหาสัมปชัญญะก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงใน ท, ที่ที่ไปด้วยเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมว่าแม้ที่ที่ไปโคจราสัมปชัญญะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะเลือกฟันธรรมะที่สปายะได้ตรงนี้แหละเมื่อได้สปายะอย่างนี้แล้วเนี่ยทําให้ปราศจากโลกการถึงพระรัตนตรัยเป็นอย่างนี้ ทำให้กระแสชีวิตเนี่ยก็ปาสหนึ่งใจไม่มีโรคก็ยังผลให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้ไม่โรคภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียน ด, ด้วยได้รับผลวิเศษก็คือมีอายุอายุคือสามารถเจริญอิทธิบาทสี่ได้ยังถูกต้องเพราะอิทธิบาท4ี่จะเป็นเหตุทำให้อายุยืนใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตาปัญญาเพราะความเข้าใจแล้วเวลาเจริญฉันทวิริยะจิตตปัญญาก็ ได้ดุลยภาพในการเจริญด้วยไม่ใช่เอียงไปด้านฉันทาอย่างเดียววิริยะอย่างเดียวจิตตาอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญามาดุลเพราะฉันทาวิริยะจิตตาเนี่ยด้านจิตใจแต่ปัญญามันด้านของทัศนะความเห็นและมุมมองเนี่ยทั้งจิตใจและปัญญาก็เป็นผู้มีเขาเรียกว่านิสระนาปัญญาที่ได้กล่าวเนี่ยคือมีปัญญาชีวิที่อยู่เหนือเหนือโภกทรัพย์เหนือเกียรติยศชื่อเสียงเหนือตัณหาเหนือมานาทิฏฐิ ไม่ใช่มีปัญญาไปรับใช้ตัณหามานะทิฐิแต่มีนิสรณปัญญาที่มีปัญญา ท, ที่อยู่เหนือกิเลสบางคนมีปัญญารับใช้กิเลสนะคิดอะไรออกไปเสร็จปุ๊บก็ไปตอบสนองโลภะสั่งการมาก็ไปปัญญาก็รับใช้ตอบสนองความโลภปัญญาตัดตอบสนองโทสะเนี่ยตอบสนองโมหะเนี่ยไปรับใช้ตัณหามานะทิธิ นี่คือคือความเป็นผู้มีอายุความเป็นผู้มีวันนะก็คือเจริญกุศลศีลได้เพราะการถึงสารณคมแล้วก็สามารถจะได้ความสุขระดับสมาธิเพราะเมื่อถึงสมาเมื่อเข้าถึงสารณคมได้และลึกถึงพุทธคุณเนี่ยสมาธิก็จะได้แล้วก็จะเข้าถึงปัญญาในส่วนจริงจะเป็นปัจจัยต่อการได้ปัญญาในการประหารกิเลสได้ทีฏฐิภาอายุวันณะสุขขาภละมันจะเกิดขึ้นเห็นไหม และมีสุขติในสัมปรายพภพลมหายใจขาดก็ได้สุขติพุทธเจ้าบอกว่าอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายนโจรตารโธรมาวัฒนีอายุโนสุขังพลังเยวุธะมจายันตินราธรรมมสะโกวิทาทิเทธรมเเจปาสังสาสัมปรายาจะสุขติงลัตนาตยปช ปูชังการาสัทธาโพคาอสังคียติบอกว่าสำหรับผู้มีปกติกราบไหวมีปกติอ่อนน้อมต่ อ, อุทธาบุคคลหรือต่อพรรธาไาตรเป็นนิดธรรมะสี่ประการอายุจะเดินอิทธิบาทสี่เป็นผู้มีอายุยืนวันนะจะเดินกุศลศีลเป็นผู้มีวันนะผ่องใสสุขะจะได้สมาธิไม่ยากพระ จะมีปัญญาอยู่เหนือกิเลสไม่ยากนรชนเหล่าใดอ่อนน้อมต่อวุฒาบุคคลผู้เป็นปาฏแห่งธรรมะก็คืออ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมปิยสงในปัจจุบันย่อมได้รับการสรรเสริญในสัมปรยาพบจะมีสุคติเพราะการบูชาพระรัตนตรัยโพคะนับไม่ท่วมก็ย่อมได้มาโพคะนี่อานิสงส์แห่งการถึง สาธารณาคมที่เป็นโลกิยะไปเกิดณนะที่ไหนอ่ะบริบูรณ์ทุกสถานภาพแม้ในปัจจุบันนะพบก็ไม่เดือดร้อนนี่อันนี้นโลกิยะสารณาคมนะยังไม่พูดถึงโลกุตราสารณาคมนะถ้าผลของการถึงโลกุตราสารณาคมคืออะไรรู้ั้มคือการดับกิเลสและกองทุก เนี่ยเป็นผลจากการรู้แจ้งอริยสัจสีที่บอกบูฮุงเวสารนังยันติปปตานิวา น, านิจจะเป็นต้นเนี่ยบอกว่าการบุคคลเป็นบอกว่าคนจํานวนมากสัตว์โลกจํานวนมากถือภูเขาเป็นสารณะต้นไม้เป็นสารณะสวนลุกขจีดีเป็นสารณะพระอินพระพรทั้งหลายเป็นสารณะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้ น, นเนี่ย นั่นไม่ใช่สารณาอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณาอันสูงสุดเพราะเมื่อถึงสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถจะพ้นจากชาติทุทกชรลาทุกพย า, ท, พยาทุกมรณะทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าวิธรรมปริยสง์เป็นสารณะจากการถึงนี่แหละที่ถึงแบบเนี้ที่บอกว่าอารหังสัมมาสัมพุ ท, โทธโธพระกวาพุทธังพระกวรรณตังภิวาเทมีเนี่ยข้าพเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลเ ก, กิเลด แต่เพิงกิเลสเพิงทุกสิ่งเชิงตัดสรุปชอบได้ในพระองค์เองเนี่ยเชื่อมั่นดังนั้นข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธานเนี่ยตามพระพุทธเจ้าให้ได้ก็คือว่าข้าพเจ้าจะศึกษาในเรื่องของทุกสมูทัยนิโรธมากแล้วก็จะมาเดินศีลสมาธิบัญญาที่เป็นองค์มรรคนี่ยเพื่อจะไปตัดสรุปทุกลาสมูทัยทํานิโรธให้แจ้งเดินอริยมรรคเนี่ยให้สามารถแทงตลอดอริย ส, สัจสีตามพระพุทธเจ้าให้ได้ ดังนั้นโดยการจะถึงสรณคมนี่แหละแล้วมาศึกษาเรียนรู้เวเสร็จแล้วก็ฝึกตนเองเข้าสู่จารีสีนวารีสินไล่ ต, ตามลำดับสมาธิแล้วก็ปัญญาเดินมรรคแปแล้วจนแทงตลอดอริยสัจสีได้พอแทงตลอดอริยสัจสีก็ดับกิเลสได้ก็เลยเข้าถึงโล ก, กุตระสาระนาค ม, มองอไหมนี่ผลของการถึงสระโล ก, กุตระสาระนคมก็ทําให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็คือดับทุกข์ได้นี่นี่เป็นอย่างนี้ ความเลื่อมใสาจากใจอย่างเดียวหรือการถึงสารนคมอย่างเดียวหรือการอัญชลีนอบน้อมอย่างเดียวในพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้กําจัดมานและเสนามารได้ย่อมยังสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกัรดานได้เห็นไหมว่าอัจฉริยท่านบอกว่าอย่างนี้ในสารนคมที่เป็นโลกุตระนั้นน่ยก็มีสามัญญผลสี่คือโสดาปฏิผลสากาทาคามีผลอนาคาผลอาราถผ ล, าาผลเป็นวิบากผลนี่คือผล มีความสิ้นไปแห่งทุกทั้งปวงเป็นอนิสงเป็นอนิสังสผลดีกาท่านขยายบอกว่าอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคคือโสดามรรคสกท า, าคามรรคอนาคาตมรรคเนี่ยเป็นศาสนาคมที่เป็นโลกุตระฉะนั้นจึงมีสามัญญผลเเป็นวิบากพอเราเข้าถึงโลกุตระมรรคปุ๊บก็มีโลกุตระผลเกิดขึ้นติดต่อเนี่ย แต่ผลที่เป็นวิบากแท้จริงของสนานาคมที่เป็นโล ก, กุตระก็คืออริยมรรคคือความสิ้นจากทุกทั้งปวงการดดับไปฉะนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าท่านจึงเน้นว่าผลของสนานาคมที่เป็นความสิ้นไปแห่งทุกเนี่ยเป็นอนิสังสผลก็คือผลที่เป็นอนิสง์ที่แท้จริงนี่ในกระด้านการปฏิบัติการบูชาพระรัตนตรัยด้วยทําให้มีสติและลึกอยู่เสมอ การที่มีสติเนี่ยเป็นบาตรฐานสําคัญที่จะทําให้เว้นจากกายทุจริยจีทุติจิตมโนทุจริตจะทำให้คนที่เจริญสติเนี่ยไอตัวสติมีกําลังการที่เราพ้นจากกายทุติิตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็เข้าถึงกายสุติิตวจีสุติยิตมโนสุจริตเนี่ยกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เดินทานกุศลศีลกุศลอยู่เสมอเนี่ยแล้วก็เจริญเมตตาไอตรงนี้เป็นทิฏฐาธรรมเวที่เดียกกำ ไอตัวทิฏฐาธรรมเวทีนิกรรมที่เราเล่ลืกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยมันให้ผลในขณะปัจจุบันนะนะหนึ่งผลทางด้านจิตใจก่อนไอคุณภาพที่เราได้ทางด้านจิตใจตลอดเวลาเนี่ยทั้งศรัทธาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาที่เกิดขึ้นตัวคุณภาพจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับสุขสมณะจิตที่เป็นไปกับยานปัญญาเกิดขึ้นเนี่ย การสั่งสมที่มีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนําทาง เ, เป็นไปในเบื้องหน้าหรือการมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยเนี่ยการมีจิตสํานึกตลอดเวลาว่าเราจะฝึกตนเองเป็นพุทธาตามพุทธเจ้าให้ได้เราจะฝึกตนเองเข้าถึงความงามในพระธรรมสามระดับให้ได้เราจะฝึกตนเองจากปุถุชนออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะตามอริยะสังฆะเหล่านั้นให้ได้เนี่ยการปลูกจิตสํานึกตรงเนี้มีอธิยาสายแบบเนี้ท่านเลยบ อ, อกมาว่า เหมือนเหมือนลูกเหมือนแม่วัวปากและเลีมหญ้าตาช้ำเลืองดูลูกน้อยแม่วัวเนี่ยปากมันกินหญ้าแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแบบถ้าไอแม่วัวที่ก็มีลูกอ่อนมันก็คอยมองลูกมันเลยลูกมันจะเป็นแอ น, นด์หลายกลุ่มบุคคลที่ฝึกตนเองเพื่อจะเป็นอริยะพุทธบริษัทของพระเจ้าก็ต้องทําตัวเหมือนแม่วัวตัวนั้น ทำกิจการน้อยใหญ่หาเงินหาทรัพย์หาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหายาเนี่ยอันนี้เหมือนกําลังกินญ้าศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเหมือนลูกนออ่อนนั้นต้องชำระเลืองดูตลอดเดีย๋ยวเป็นอันตรายตกเขาตายบ้างเสือมากินบ้างอะไรบ้างเนี่ยทีนี้ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เป็นแบบนั้นกันนะโดยส่วนใหญ่แล้วปล่อยให้วัวตายและลูกวัวตายตลอดเลยใช่ไหม เราโม่แต่ทำกิจอย่างอื่นแล้วลืมเลยเราคลอดพอถึงเวลาก็ไปไปคลอดลูกลู ก, ล, กลูกอ่อนออกมากแล้วเหมือนไปนสมาทานศีลบ้างไปฟังธรรมบ้างสักพักพอเราไปทำกิจการอื่นก็ลืมทิ้งตายแล้วไอ้ น, นี้ลูกตายตกเขาตายบ้างถูกเสือกินตายบ้างใช่ไหมหรือตอนเองไม่ได้ไม่ได้ให้นมลูกบ้างลูกตายอยู่เรื่อยเลยคลอดแล้วคลอดอีกคลอดแล้วคลอดอีก ตายไม่รู้กี่ตัวแล้วไม่รู้มองเห็นไหมพราะเรามัวแต่ทำกิจการอื่นแล้วเราไม่ได้สห่วงไม่ได้ไม่ได้คอยชาเลืองดูเพราะพอลูกจะเป็นอันตรายต้องละจากหย่าทันทลีละจากหย่าปากคายยาอยู่ต้องคายทิ้งต้องรีบวิ่งมาป้องกันจำไห้ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันกลาลังเดินนี่เดินก็แตกตอกแตกมันเดินไม่แข็งแรงนะนี่เหมือนกัน ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาลมหายใจจากไปอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาตาอยู่เลยมองเห็นได้อย่างเดีเยวนี้ให้ทําตัวเหมือนแม่วัวลูกอ่อนตัวนั้นอย่าห่วงกินหญ้าเพลินอย่าห่วงทํากิจการอื่นจนลืมพระรัตนตรัยจนลืมศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ขอด้วยกี่ครั้งแล้ว <c oughs> บ่อยมากไปที่ไหนก็ไปรับศีลกันอยู่เนี่ยรับเสร็จก็ทิ้งตายทิ้งตายงั้นต่อไปเขาต้องบอกว่าปากและเลีมหญ้าตาชำเนืองดูลูกน้อยและแข็งแรงหรือยังลูกน้อยตัวเนี้ยบางทีเพิ่งคลอดใหม่ๆยังเดินตอกแ๊กตอกแท ก, กอยู่เลยจบางทีมันแข็งแรงไปแล้วแต่เราไม่ดูเขาวิ่งตัวเขาตายไปแล้ว <laughs> <laughs> อันตรายมากเลย นินฟังนี่เข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยบางครั้งไม่ได้เขาไม่ได้ตกเขาตายไม่ได้ถูกเสือกินตายเราไปทุบเขาตายเลงธรรมะกินผิดศีลก็ยอมใคยไหมยอมไม่กระทั่งผิดศีลผิดก็เอาโหไม่จงใจเลยอะจงใจทุบเลยไอ้ลูกตัวนี้ ไม่เอาไว้ดีกว่าเอายาดีกว่าเอาอาหารดีกว่าใช่ไหมมีอันตรายไหมไงตรงเนี้ยถ้าปราถนาที่จะต้องพักค้าประงกทำให้เขาแข็งแรงถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะทำกิจการน้อยใหญ่ลูกน้อยก็ท่านแข็งแรงแข็งแรงแต่ยังไม่ปลอดภัยเนะ ขนาดเป็นพระโสดาวันยังไม่ปลอดภัยแล้วยังเราโรคยังวิ่งไม่ได้เลยยังวิ่งไม่ได้เลยล้มแผะล้มแผะอยู่เนี่ยจากนั้นยามัวหากินเพลินจนลืมลูกน้อยอุปมาอย่างนี้เห็นชัดไ้ยพุทธ้าอุปมาชัดไหมั้นตรงนี้ก็บอกว่าความเลื่อมใสเนี่ยที่บอกว่า ในด้านการปฏิบัติก็คือว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการที่เราเดินโดยเฉพาะมโนกรรมที่สุจริตนี่แหละเป็นทิฏฐธรรมเวทนากรรมค่อนข้างชัดตรงเนี้ยนะให้สังเกตดูนะว่าเราเดินกุศลได้จริงๆเนี่ยกุศลนั้นจะต้องสามารถทาให้เราได้ปราโมทตลอดอัตยาสัยเจตนากรรมที่ทำลงไปเนี่ย ที่เราเราเรามีอัตยาศัยในการที่จุดหมายต้องชัดคือความพ้นทุกข์ต้องให้ชัดเหมือนเราจะมาเชียงรายเนี่ยต้องชัดคําว่าชัดในที่นี้หมายความว่าในระหว่างที่เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมมันก็ผ่านหลายที่มาแต่จุดหมายคือเชียงรายแต่มันต้องผ่านอยู่แล้วนี่เหมือนกันกระแสะชีวิตของพวกเราที่ถึงสารนาคมเนี่ยโลกียสารนาคมแต่เป้าหมายคือ โลคุตระจารนคมคือการสิ้นกิเลสและกองทุกข์คือพระนิพพานนั้นตั้งให้ชัดแต่ในระหว่างที่เดินทางมันจะเจออะไรเยอะทั้งโผคา่าสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้มีอายุยืนบริวารทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ในในเส้นทางที่เราเดินไปนะแต่ถ้าเราไปติดอยู่หลงอยู่หรือจมอยู่ไม่เดินต่ออันนี้แปลว่า จุดหมายเราล่มเหลวจุดหมายเราไม่ชัดแล้วฉนั้นจุดหมายต้องชัดในขณะที่เดินเนี่ยก็ต้องมานัาสิการในใจเราตลอดนะว่าจุดหมายของเราคือตรงนี้งั้นเราจะมีบุตรมีภรรยามีสามีมีทรัย ม, ม, ม, ม, ม, มีบ้านมีรถอันนี้คือเส้นทางที่เราทางผ่านทางผ่านโดยสำนวนโดยโดยหลักการคือ <c oughs> เหมือนในพานเนี่ย ไปยิงเนื้อในป่าได้แบกเนื้อแบกเนื้อใส่บ่าเดินมาแล้วในระหว่างที่เนื้อเราแบกเนื้อเนี่ยกลิ่นเนื้อมันเต็มหมดเลยเนะืมแมลงวันเอ้ยเหลือบเอ้ยยุงเอ้ยเต็มไปหมดเลยนั่นไม่ใช่จุดหมายจุดหมายเราคือต้องไปขายเนื้อแล้วได้เงินฉะนั้นผลของทานกุศลผลของศีลกุศลผลของการถึงพราทานะตรายมันจะเต็มไปหมดนะ อลังการล่ามากนะเส้นทางเนี้ยนั่นคือเหลือบคือยุงนะนั่นคือแมลงวันนะจดหมายเรามันคือจะต้องไปขายเนื้อเนี่ยเอาเงินอันนี้ก็เหมือนกัรจดหมายเราคือการพ้นทุกข์ในระหว่างทางเนี่ยถ้าเราจดหมายมันมันมันมันมันคุมเครือหรือมันพลามัวมันไม่ชัดเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะหลงอยู่กับมันตรงนั้นแล้วที่สุดจริงๆเราก็กลายเป็น บุคคลที่ออกจากโลกใบนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นสัตว์เฝ้าแผ่นดินไปซึ่งก็น่ากลัวมากนานๆจากการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าการอุบัติเกิดขึ้นพระเจ้าเลยไม่เป็นไปนเป็นประโยชน์กับคนอื่นกับไม่เป็นประโยชน์กับเราที่ยุ่งเลยนะงานนี้ต้องระวังบุตรภรรยานี่ก็คือก็คื อ, ก, คอก็คือเหลือบมแมลงวันจะ <c oughs> มาถ้าเราไปติดจนเกินไปในที่สุดจริงๆเราก็ไม่ถึงจุดหมาย ไปไปมาถ้าชวนกันไปถึงจุดหมายก็พอว่าใช่ไหมล่ะถ้าชวนกันไม่ถึงจุดหมายก็ยุ่งอีกเล ย, ดยเดี๋ยวนี้กลายเป็นขัดขวางนี้ต้องนั่นตรงนี้ก็คือว่าสภาพของที่จะเป็นทิฏฐาธรรมเวทีกรรมก็คือความสุขความสงบความเบาวความอ่อนความคลวนความคล่องแคล่วความซื่อตรงในการงานต่างๆที่เป็นกุศลเป็นภาวะปัจจัยที่ช่วยขจัดอันตรายนะคือกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ย ในกระแสของชีวิตทั้งศรัทธาทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสภาพกุศลทั้งหลายความเบาความอ่อนความควรก็หลายในความคล่องแคล่วความซื่อตรงสภาพกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นกุศลที่เป็นภา ว, ภาวะปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีกําลังจะคัดจัดกรรมที่เป็นอุปปรีละกรรมเลนะกรรมที่มันจะมาเบียดเบียนเมันเบียดเบียนไม่ได้ เบียดเบียนไม่ได้เลยเนะีคนที่มีกุศลแข็งแรงเนี่ย เ, เหมือนอย่างนี้เวลาเวลาคนที่ทําบาปจัดๆเลยเนะี่ยเป็นอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเนี่ยบาปจะไม่ให้ผลกําลังพระบารมีของพระเจ้าขนาดนั้นบาปไม่กล้าให้ผลเลยแต่ถ้าไอเจ้าเนี้ยลุกออกไป เ, เลยสายพระเนตรของพระเจ้าบาปจะให้ผล สังเกตดูใน น, นางกินจะมานาวิกาเนี่ยด่าพระเจ้ายังไงด่าด่าด่าไงบาปก็ไม่ให้ผลเพราะอยู่ในยังไม่มพ้นสายพระเนตรพอวิ่งหนีออกไปพ้นสายพระเนตรแผ่นดินสู่ปุ๊บลงไปเลยนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจยังไม่ว่าจะพระเทวทัตเนี่ยถ้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้านะแล้วทันนะถ้ายังอยู่ในสายพระเนตรพระเจ้านะแผ่นดินยังไม่สู่ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระเทวทัศน์นี่หนักเกินไปแล้วไม่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอยู่เนี่ยอ น, นันตเรียกรรมยังส่งผลไม่ได้นี่ขนาดนั้นเลยฉะนั้นในขณะที่กุศลเกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นพระธรรมรักษาเราพระพุทธเจ้ารักษาเราพระสงฆ์รักษาเราอยู่พระรัตนตรัยกําลังอยู่ในใจเราอยู่กรรมอุปปีติกกรรมทั้งหลายเนี่ยจะไม่เบียดเบียน ที่เล็กๆน้อยๆ น, นี่ยกรรมที่ไม่แรงเกินๆไปเนี่ยแล้วพระรัตนตรัยจะดึงเราเนี่ยออกจากอากุศลกรรมเหล่านั้นจะลงทุกติก็ลงไม่ได้พระรัตนตรัยจะดึงเราจะคุ้มครองเราจะดึงกระแสชีวิตเราให้เข้าสึงสุขติเนี่ยถ้าโลกิยาสราระคอมอยู่แบบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นโลกุตระสราระคมก็ดึงเราออกจากทุกติได้ทันทีเลยนันเราจะไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์นโกสัตว์ในฉั น, นเปรตอสุรกายเนี่ยเข้าใจตรงนี้ให้ชัด ในการถึงสารณคอมนี้ต้องชัดตรงนี้นะพอมองเห็นมไหมนั้นอย่าแปลกใจว่าเอ๊ะทาไมเนี่ยคนสวดมนต์คนเจริญกุศลทําไมบาปถึงไม่ให้ผลถึงไม่พ้นจากอันตรายอย่าไปแปลกใจแต่ถ้าสวดแต่ใจว้าเวจําได้ไหมมีนักเลงคนหนึ่งตอนนั้นก็ไปโดนยิงหล่อมยิงปุ๊บปุ๊บ ป, ปเขาก็ตกใจก็คว้าเอาสมเด็จวัละคังใส่ปากอมเขาไว้โดนยิงทะลุ เพราะนั้นไม่ใช่หพระรัตนาตรยัยตอนนั้นใจเขาเป็นไงใจไม่เป็นกุศลใจไม่ตั้งมัน่นถ้าใจตั้งมั่นในคุณของพระรัตนาตรัยนะไม่ต้องมีพระสมเด็จวัละคังอมนะมีศรัทธาที่ตั้งมัน่นมีสมาธิตั้งมัน่นมีสติที่ตั้งมัน่นมีปัญญารู้และเข้าใจในขณะนั้นนะ่ะพระรัตนาตรัยอยู่ในกระแสชีวิตเรียบร้อยเตินั้นจะคุ้มครองอันตรายได้อุปปีะระกกรรมกรรมที่จะเบียดเบียนเบียดเบียนไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้พอมองเห็นยัง เนี่ยจะบอกพระาราตนาฏัยคุ้มครองคุ้มครองในฐานะที่สภาพที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมก็คือสภาพใจที่เป็นไปกับความไม่มีโรคไม่มีโท ษ, ไ ม, มโทษไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเอียบอ่องพองแผ้วจิตที่เบาอ่ อ, อนควรคล่องแคล่วซื่อตรงในกุศลในคุณของพระาราชนาฏัยแม่เข้าใจนะตรงนั้นน่ยในขณะนั้นแหละโอปปีละ ก, ะกรรมก็เบียดเบียนไม่ได้ และอุปคาากรรมกรรมที่จะมาตัดร้อนในปัจจุบันเนี่ยก็ตัดร้อนไม่ได้เพราะความที่ผู้มีสติตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนี่แหละที่บอกว่าเหล่าสาวกของพระโคตามะมีสติตั้งมั่นในพระเจ้าเป็นนิดทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นรู้ด้วยดีเสมอเหล่าสาวกของพระโคตามะมีสติตั้งมั่นในพระธรรมเป็นนิด ทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นรู้ดีเสมอเราภาษาว o ของพระโคตม่ามีสติตั้งมั่นในพระสงค์เป็นนิสทั้งกลางวันและเชื่อมีสติตั้งมั่นเสมอเนี่ยการที่มีสติตั้งมั่นในคุณของพระราชนาตรัยแล้วตอนนั้นคุณธรรมคือคุณธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายสภาพจิตใจทั้งหลายเหล่านี้ก็อ่อนควรในการระลึกถึงคุณของพระราชนาตรัยสภาพจิตใจของท่านผู้นั้นเหมือน เหมือนมีพระบรมเหมือนเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วกระแสชีวิตคือขันโลบะขันของท่านผู้นั้นเหมือนเจดีย์ทองเหมือนเจดีย์ทองถ้าใครระลึกถึงนะคนที่กําลังระลึกถึงคุณของพระาาราชนา้าใจนะใครเอาของไปให้ไประลึกถึงในสิ่งที่ดีทั้งหลายกุศลจะเกิดจากคนนั้นอย่างมาก และในขณะเดียวกันใครคิดบฏทุสลายโอ้สวยเลยสวยเลยเพราะท่านคนนั้นเนี่ยใจกําลังอยู่ในคุณมีพระรุตเจ้าเป็นอารมณ์มีพระธรรมเป็นอารมณ์มีพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่เข้าใจไหมนามธรรมเนี่ยมีคุณของพระราช น, านตรัยอยู่จิตตชลูปกคลุมกับราชกายทั้งหมดเหมือนเจดียทองจิตใจเหมือนพระโพลอมภาษารีลาธาตุของพระรุจ้าบรรจุอยู่อย่างนั้นขนาดนั้นเลยแต่โดยมากเนี่ยเราได้แค่ ช่วขณะแล้วหายขณะหายยังไงเราไม่สามารถเดินถ้าใครเดินกุศลได้อย่างต่อเนื่องสุดยอดไหมนั่นแหละไปเดินให้ต่อเนื่องนี่นี่เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้จับชายสังฆติตามหลังเราย่างเท้าตามทุกก้าวแต่เธอมีความละโมบ มีความติดใจอย่างแรงกล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําดิใจอันเป็นโทษหลงลืมสติปราศจากสติสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปในทางผิดหมุนไปตามมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเป็นต้นจนถึงมิจฉาสมาธิไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นใจพิสูจนั้นยังอยู่ห่างไกลเราโดยแท้และเราก็อยู่ห่างไกลพิกูจนนั้นแม้ไงเนี่ยห่างไกลเลยเนะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมก็ย่อมไม่เห็นเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุอยู่ไกลเราตั้งร้อยโยอดภิกษุนิยบาสกุบาสิกาเนี่ยอยู่ห่างไกลเราตั้งร้อยยด อ, นะ อ, ยอยยดแต่เธอไม่มีความละโมบไม่มีความติดใจอย่างแรงกล้าในกาบทั้งหลายมีจิตไม่พยาบาทเป็นไปกับเมตตา มีความดับริแห่งใจอันไม่มีโทษมีสติตั้งมัน่นมีสมรรถคันปัญญะมีจิตที่ตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจพุทธบริษัทนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้พุทธบริษัทนัน้นอยากอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าใช่ไหมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพุทธบริษัทนั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา อยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนี้นะการเห็นธรรมก็คือการถ้าสูงสุดหมายถึงเห็นปณิพันเบื้องต้นก็คือเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระยาสงฆ์นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ล้วมองอย่างนั้นอยากให้เราเนี่ยเ อ, อทำยังไงเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้านี่เป็นไปในลักษณะที่ว่ามีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน มีใครจะถามอะไรไมเนี่ยการถึงสารณาคมแต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นนี่นะก่อนหน้าที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยจะไม่ไม่เกิดศึกสงครามตอนที่พุทธศาสนาเข้ามาใหม่ๆนี่คนถึงสารณาคมกันถูกต้องไม่เป็นเหมือนทุกวันแต่พอต่อมาในยุคอยุธยาต้นๆก็ยังโอเคเพราะเกิดภัยสงครามขึ้นมาเกิด ลบลาค่าฟันกันขึ้นมาเกิดการสู้รบกันคำพุงคมพีโดนเผาบ้านเมืองเกิดจลาจนเกิดแย่งชิงอำนอนาจกันขึ้นมาตอนนั้นน่ะคนก็เสื่อมจากการศึกษาการถึงสรารณาคมก็เริ่มเศร้าหมองลงการถึงสรารณาคมก็ถือกันบิดผิดถือเป็นของขังบางศักดิ์สิทธิ์บางอ่อนวอ น, วานบางเป็นไปตามลำดับแล้วต่อมากว่าจะมาตั้งบ้านแปนเมืองได้ขึ้นมาวุ้ยมาแก้ไขกันยุคจะไล่ถึงพระยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ย เดียพระ ก, เ ก, รกเ็เพียนกันพุทธบริษัทก็เพียนเพียนกันแก้ไขกันจนมาถึงรชัชกาลที่หนึ่งนะในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรชัชกาลที่หนึ่งได้ออกพระราชกาหนดฉบับที่40สเรื่องถือน้ำพระพิพิธสัตยาให้ไหว้พระรัตนตรัยก่อนรูปพระเชตถาบิดรประกาศไว้เมื่อวันศุกร์เดือน6 ขึ้น14บ่ค่ำจุลศักราศ 1,147 ีเปีมาเสงตรงกับวันศุกร์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะสองพัรอาพระราชะกําหนดฉบับนี้กําหนดบัญญัติว่าการแสดงความเคารพสักการะในพระราชะพิธีสําคัญจะต้องกระทําต่อพระรัตนตรัยก่อนเป็นระดับแรก ลำดับถัดจากนั้นจึงเป็นการถวายสการะต่อรูปพระมาหากษัตริย์องค์ก่อนๆพระราชกาหนดใหม่นี้ได้เป็นแบบแผนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยเนะในพระราชพิธีต่างๆนั้นจะบูชาพระรัตนตรัยเป็นันดับแรกข้อความแบบอย่างงี้กดที่ให้ไว้บอกว่าพระสุรัสสวัสดีซ้ายขวาในในนอกนให้กฎหมายบอกว่าพระเจ้าอยู่หัว บรมนาถบพิตรสดจริตธรรมมหันตคุณสุนทรมหาศาสนาศาสนูประธานพกพุทธศาสนาสเสด็จออกจากพระที่นั่งบุสบกมาลามหาจักรพรรดิพิมารประเวณีกบินเมืองกรุงเก่าแต่ก่อนนั้นคำว่าประเวณีคือประเพณีสมัยกรุงเก่านั้นขั้นถึงพิธีตรุสาสแล้วก็ ก็เข้าทูลละ อ, องผู้ใหญ่ผู้น้อยไปถือน้ำพิพัฒน์สัจยาเข้าไปทำสัมมาคารวะไหว้นบนับถือพระเชษฐบิดรคือรูปของพระเจ้ารามาที่บดีก่อนแล้วจึงเคารพระรัตนตราภายหลังปฏิบัติกับกายเป็นต้นชนี้ประเวณีหมายถึงประเพณีอันนี้ผิดเพราะเหตุแห่งพระมหากษัตริย์แต่ก่อนนั้นแล ราชวงศ์สานุวงศ์ทั้งปวงมีทิฐิมานามากถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์อันประเสริฐเกิดก่อนจึงตั้งราชาประเวณีไว้ผิดที่ข้าทูลละองผู้ใหญ่ผู้น้อยครั้งจะกระทำตามก็จะขาดพระไตสรณะคมถ้าไปทำอย่างนั้นเน่สรณะคมมันขาดสรณะคมมันขาด เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มนหมองต่อไตรสารณาคมแต่นี้สื่อไปเมื่อหน้าคั้นพิพิธีตรุษศาสจะถือน้ําพิพัสสัจจาแล้วให้ข้าทูลล อ, องทั้งปวงมีเครื่องสการาบูชาเครื่องประโคมแต่สังปีพาดค้องชัยประโคมสำเร็จแล้วจึงกราบ นมัสการพระพุทธปฏิมากรพระแก้วมรกตพระบรมสารีริกธาตุเจดีพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยสัจจะคำรบเสร็จแล้วจึงรับพระราชทานนะ้ำพิภัฒ์สัจาก่อนแล้วจึงออกมาอุทิศส่วนกุศลแผ่ผลให้แก่หมู่เทพรักษาอากาศัทธเทวดาเป็นต้นให้เอาพระราชตรัยตยานุภาพ จำเริญพรให้จะช่วยพิบาลรักษาให้พ้นจากโรคภัยพยานันตรายด้วยสัมมาปฏิบัติที่มั่นคงยั่งยืนในคุณของพระรัตนตยเป็นมหามงคลล้ำเลิศประเสริฐก็จะเป็นอุปนิสัยใกล้โลกุตละสารณคมพ้นจากสังสารทุกข์โดยเที่ยงแท้เข้าใจอย่างในเนี้เออจะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนยุคศึกสงครามเนี่ย มีการเพี้ยนในการถึงศาสนาคอมไปถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยังมีเรื่องอีกเยอะนะเนี่ยนี่ความเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์เพราะเท่ากับเป็นการเอาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธขึ้นมาอยู่เหนือคติความเชื่อไหว้ผีบรรพบุรุษเนี่ยการบูชาเทพธิดาบูดรการบูชารูปสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองนั่นเป็นนี่เป็นการรับอิทธิพล ฝ่เขมรโบราณมาหรือพระศิวะเนี่ยจากอินเดียทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเทวราชเนี่ยได้สุกสร้างรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบสายของเจ้าแม่กวนอิมเล ย, เยพระวชชะลปานีพระมันชูศรีเป็นต้นเหล่าเนี้นะพระมันตาพัทเนี่ ย, นะ ย, ยอันนี้แล้วก็ไปนอ้อนวอนเนี่ยจนถึงเคารพพระศิวะ ที่เป็นใหญ่สูงสุดในเทวโลกทั้งหลายเหล่านี้ยเนี่ยสัญลักษณ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยนี่บ่งบอกให้เห็นว่าท่านท่านเลือออกราชาองค์การตั้งแต่ราชาการที่หนึ่งท่านบอกให้เปลี่ยนวิธีการเคารพนับถือให้เอาพระรัตนตรัยนไว้เป็นอันดับแรกๆทีนี้ถ้าเราเห็นพิธีกรรมพวกนี้เราก็โดยมากเราก็จะไม่ค่อยบางทีก็เลยแค่พิธีกรรมแต่เราไม่เอาสาระตรงนี้มาบอกกัน พอไม่เอาสาระตรงนี้มาบอกกันก็เลยการถึงสถาะนะขมที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นแค่ประพีนีและพิธีกรรมกันยันทุกวันเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เป็นราชองค์การแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้จะได้เข้าใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปนับถือผีกลายให้สถาะนะมสศรมองไปเลยแล้วขาดไปเลยในเนี่ยนี่ก็ให้เอาพระราชตรายให้ชัด ก็ศึกษารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกิยะสารนคมจะต้องเป็นปัจจัยแก่โลกุตตระสารนคมหนึ่งนี่คือจุดหมายไม่ใช่ว่าโลกิยะก็เศร้าหมองแล้วจะขึ้นสู่โลกุตตระสารนคมได้ยังไงใช่ไหมในส่วนจริงพวกเราก็กลายเป็นติดแค่พิธีกรรมติดแค่รูปแบบก็ไม่สามารถเข้าถึงสาระได้รูปแบบที่ทำเนี่ยถ้ารูปแบบถูกแล้วดีแต่ถ้าไปยึดรูปแบบจะไม่สามารถเข้าถึงสาระเอา้าเสียอีกกลายเป็นศีลละพดปรามามดี ก็เรูปแบบมาปฏิบัติกันแบบผิดผิดไม่เข้าใจลูกหลานที่ตามเราก็จะเข้าใจผิดไปอีกใช่ไหมยกวิวตาเกิดมาที่ลัง uh huh. พ่อแม่เป็นอย่างนี้ก็ตามพ่อแม่แล้ผิดตัวเองก็เสรเนี้ยพอไปมีครอบครัวก็ผิดกันไปแถวพอเข้าใจดีนะ อ, อุทิศตนกุศล